พวกเราพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมนี้หมายถึงพร้อมจะตายไหมพร้อมหีืยัง <c oughs> โรคมันไม่แน่นอน <c oughs> อะไรแปลกๆเกิดได้เสมอ <c oughs> ถ้าเราต้องเตรียมความพร้อมไมประเภทจะตายก็อย่าเสียใจเ <c oughs> พอภาวนาให้พอนะ ตายไม่เสียใจตายแล้วเวลาจะตายจะขึ้นเหิมนะไม่เสียใจท้อแท้พ่อแม่อะไรอาวบ์ไม่เป็นหรอกก่อนจะตายจริงๆอาจเจอวันไหวบ้างแต่ถึงเวลาจะต้องตายจริงๆขึ้นมาเนี่ยจะเข้มแข็งขึ้นมานจิตที่มันฝึกเอาไว้ชำนี้ชํานาญแบบพวกเราส่วนมากคมไม่แน่นอนมันเยอะอย่างเชสที่แปลกของอาจารย์สุรพล เจ็บค อ, อนิดเดียวนะไปตรวจหมอไปคลาหมอบอกเป็นมะเร็ง <c oughs> ดีคนไข้ไม่ช็อกตาย <c oughs> ตรงหลงไม่ได้เป็น <c oughs> เจ็บค อ, อนิดหน่อยเนี่ยถ้าใจไม่ถึงนะได้ยินว่าเป็นมะเร็งช็อกไปเลยทาไงเคยมีมีครูบาอาจารย์องค์ท่านเล่าให้ฟังอยู่โคราชท่านเล่าให้ฟังญาติญาท่านมาตรวจร่างกาย เป็นอะไรนิดหน่อยนะมาตรวจร่างกายมาพักที่วัดท่านยังไม่ถึงวันที่หมอ น, นัดนะัก็ออกเที่ยวกันทุกวันเลยค่ำๆกลับมาวัดมานอนไปตรวจร่างกายกนะ็อยางสดชื่นอยู่นะวันไปฟังผลอนะ่ะวันที่ไปฟังผลนะหามกลับเข้ามาในวัดหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งเป็นมะเร็งแกไม่เที่ยวแล้วไม่ออกเที่ยวเลย ให้ญาติปะครองดูขั้นที่หนึ่งก็ปะครองแล้ว <c oughs> กลับบ้านนอกไปถึงบ้านนอกตายเลยตกใจตายไม่ได้เป็นมะเร็งตายเ <c oughs> นี่ยชีวิตมันไม่แน่นอน <c oughs> บางทียุคนี้มะเร็งเยอะเราไม่เป็นคนที่เรารักอาจจะเป็น <c oughs> อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอ <c oughs> อยู่ๆก็น้ำท่วมบ้าน น้ำท่วมบางทีฝนตกไม่ท่วมเขื่อนปล่อยมาเขื่อนปล่อยนะน้ำมาเยอะๆก็มีถ้าใจของเราเคยฝึกให้เห็นนะโลกนี้เป็นของไม่แน่นอนไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจมันยอมรับได้ใจมันไม่ทุกข์หรอกแต่เราไม่เคยฝึกกรรมฐาน เ, าเคยคิดแต่ว่ามันจะต้องอยู่ได้ตลอดไปนี้รันดอน รักตัวเองอยากอยู่นานๆอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างมีแล้วก็ไม่อยากให้หายไปเลยครอบครองไว้ได้นิรันดรนนะ์ถึงเวลาสูญเสียทนไม่ไหวงั้นพวกเราชาวพุทธไม่ไม่ประมาทคอยมารู้ทันนะคอยรู้ลงในกายรู้ลงในใจของตัวเองบ่อยๆกระทั่งร่างกายกระทั่งจิตใจเรายัางไม่เที่ยงเลยนะนะร่างกายจิตใจนี้เป็นทุกข์ร่างกายจิตใจนี้บังคับไม่ได้ ถ้าเราเห็นของเราอยู่เนืองอย่างนี้กระทั่งสิ่งที่เรารักที่สุดนะคือกายกับใจของเรายัางเป็นของไม่เที่ยงเลยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง เ, เ, เกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้ามันเห็นอย่างนี้ได้ของอื่นๆไม่สําคัญเท่าไหร่กระทั่งตัวเรายัางไม่เที่ยงเลยสมบัติเรามันจเที่ยงหรือถ้ายอมรับได้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย<ม>บ้านจะเก่าบ้านจะพังมันก็ไม่น่าเดือดร้อนเท่าไหร่ ของที่เรารักที่สุดก็คือตัวเราเองถ้ามาเรียนกรรมฐานมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามของขันห้าของกายของใจดูลงไปเรื่อยมีแต่ของแปรปรวนเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงแ้าดูลงไปบ่อยๆดูจนใจมันยอมรับความจริงนี่ก็มีพวกเราสองคนเป็นมะเร็งคนหนึ่งบอกว่า มากต้องให้กีโมอีกคนหนึ่งบอกเป็นนิดหน่อยไม่ต้องให้พอไปรักษาจริงกลับข้างกันมันไม่แน่นอนถ้าใจไม่เคยฝึกนะทนไม่ไหวะตกใจกลัวจริงๆพวกเราไม่ค่อยกลัวตายนะเรากลัวเจ็บใช่ไหมเวลาเจ็บมากๆอยากตายเร็วๆเคยเห็นไหมหลวงพ่อเคยเห็นนะพ่อของหลวงพ่อ เป็นโลกไตทรมานมากนะแกไม่เคยภาวนาคนจีนอะ่ะไม่เคยภาวนาตอนจะตายนะโมโหนะเขยา่าลูกโงเตียงเมื่อไหร่จะตายสักทีโอย่างดีนะตอนจะตายฉัน จ, จะตายก็นึกถึงเคยบวชลูกยบวชลูกหลายคนใจเป็นบุญใจมีความสงบมีความสุขขึ้นมา เวลาจะตายนอนอมยิ้มตายถึงนี่มีบุญเป็นเครื่องอาศัยแต่ว่าภาวนาไม่เป็นเสี่ยงมากเลยถ้าภาวนาชำนิชำนาญนะความเสี่ยงน้อยแค่ทําทานรักษาศีลนะความเสี่ยงสูงนะยังไม่พอวใจไม่ได้รับการฝึกพวกเราอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆ เ, เสียเวลาเปล่าๆมาเตรียมความพร้อมนะ ตายเมื่อไหร่ก็ต้องตายอย่างราเริงเบิกบานตายแบบไม่รู้สึกเป็นหนี้สินไม่รู้สึกเป็นหนี้สินไม่มีภาระอะไรจะตายก็ไม่กลัวว่าจะแย่ลงพวกเราใครรู้สึกไหมว่าถ้าตายไปน่าจะดีกว่านี้ชีวิตในชาติต่อไปควรจะดีกว่านี้ใครรู้สึกอย่างนี้บ้างลองยกมือสิยกมือสินี่พวกใจถึง จริงกับเปล่าก็ไม่รู้นะใสถึงไว้ก่อนแหละทําไมคิดอย่างนั้นเรามีศีลใช่ไหมมีศีลไหมพวกที่ยกมือศีลด่งพลอยไหมตําหนิตัวเองได้ไหมว่าบกพร่องถ้าศีลไม่บกพร่องนะก็รับประกันได้มากแนละ้วตายไปกับศีลสุขติแน่นอนอยู่แล้วมีสติไหมมีสติไหม มีจิตอยู่กับเนื้อกับตัวไหมมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั้นก็สุขติมีปัญญาเห็นความจริงของรูปนามนี่ก็สุขติจิตไปกุศลเวลาเราจะตายเราเลือกไม่ได้จริงจริงจิตเราเลือกไม่ได้แต่ละวันเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิ ต, ก, จตก็ร้ายเลือกไม่ได้เวลาจะตายก็เลือกไม่ได้เหมือนกันจิตมันจะเลือกของมันเอง แต่ธรรมชาติของจิตนั้นจะไหลไปตามความเคยชินเราเคยชินอยู่กับกุศลนะเวลาจวนตัวขึ้นมาเวลาที่ไม่ได้จงใจหมดความจงใจแล้วจิตกะไหลไปตามเส้นทางของกุศลถ้าจิตเคยชินอยู่กับอกุศลไม่ได้จงใจนะมันก็ไหลไปตามเส้นทางของอกุศลเราบังคับไม่ได้แต่เราทำเหตุของมันได้ทำใจของเราให้คุ้นอยู่กับกุศลเนืองน พอใจมันคุ้นกับกุศลนะใจมันเป็นไปเองไม่ใช่เราสั่งสั่งไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตางั้นรักษาศีลจนเป็นนิจจะศีลนินจะศีลรักษาศีลเป็นนิจนะมีความเสียสละรักษาศีลฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ฟุ้งซ่านจเจริญปัญญา คอดูความจริงของกายดูความจริงของใจเนี่ยถ้าทําจนชินนะมันเคยชินนะจิตมันจะไปตามความเคยชินอย่างบางคนตอนเด็กๆมีเรื่องตกอกตกใจอะไรเกิดขึ้นนะจิตมันตื่นขึ้นมาเลยมีพระองค์หนึ่งท่ามนมาเล่าให้ฟังตอนท่านวัยรุ่นยังไม่ได้บวชไปงานลอยกระทงเขาจุดพลุเปรีย้ยงเลยเสียงดังๆข้างๆตัวท่านตกใจ เห็นจิตไหวตัววบนะ่ยไปเห็นจิตที่ไหวขึ้นมาพอเห็นจิตไหวขึ้นมาปุ๊บขาดสะบั้นเลยนะตัวรู้เด่นดวงขึ้นมานี่เคยฝึกคฝึกมาแล้วจิตไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวเวลาตายไปลืมไปนะพอมาเกิดใหม่มากระทบอารมณ์ที่แรงๆขึ้นนะของเก่ามันดีดขึ้นมาเลยส่วนมากจะดีดขึ้นมาจากอารมณ์ที่ตระกูลโทสนะตกใจกลัวอะไรอย่างนี้ ตื่นเต้นแรงแรงกลัวมันเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดอย่างพวกเราหัดดูจิตดูใจไปนะเกิดชาตินี้ไม่ได้มักได้ผลหรือได้มักได้ผลก็ตามแต่ยังไม่ถึงผ้านาคากลมาเป็นมนุษย์อีกนะชาติต่อๆไปไปนาวนาไม่ยากจิตมันเคยชินที่จะดีดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ของพวกเราตอนนี้คนไหนจิตเคยชินที่จะเป็นผู้รู้บ้างละมีไหม ยกมือสิยกมือมีไหมมีคนเดียวหรอนอกนั้นพวกแยงแยงอะ่ะไม่แน่ใจใครเดี๋ยวนี้ตื่นได้บ่อยวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งบ้างไหนคนไหนได้ถึงว่าละร้อยยกซิยกซิใจ่นี่ถที่เหลือได้พันกว่าเลยไม่ยกเมื่อวานนี้มีคนมาส่งกันบ้านนะบอกเขาตื่นไดห้าครั้ง แล้วก็โอ้ตื่นเต้นเนาทีหนึ่งหครั้งเหรอบอกวันหนึ่งโอ้วันหนึ่งหครั้งอย่ามาคุย <c oughs> ตื่นมาละวห้าครั้งน้อยเกินใจไม่คุ้นเคยที่จะตื่นนะเวลาจะตายลําบากมันคุ้นเคยที่จะหลงงั้พวกเราใครรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆนะใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกฝึกไปเรื่อยนะคอยรู้ฝึกให้จิตมันเคยชินเคยชินที่สติจะเกิดอัตโนมัติ เคยชินที่จิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติฝึกตัวนี้ให้ได้ถ้าบารมีพอก็ได้มักได้ผลในชีวิตนี้บารมียังไม่พอก็ไปต่อชั้นหน้าต่อไม่ยากแนละ้วถ้าทำได้ขนาดนั้นคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปรักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานอันนี้ต้องทำทุกคนทุกวันซ้อมนั่งสมาธิเดินจงกรมไหวพระสวดมนต์ไปฝึกซ้อมให้ใจมีนิสัย มีสัจจะมีความตั้งใจจริง้ฝนะึกความอดทนอดกลั้นฝนะึกทุกวันต้องซ้อมไม่ต้องซ้อมมา ก, ากนะซอมวันหนึ่งนาที15นาทีเบื้องต้นไม่ใช่ต้องนั่งสมาธิเริ่มต้นวันละหลายๆชั่วโมงเดี๋ยวนั่งวันเดียวก็เลิกแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกมาเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้ทำในรูปแบบนะวันแรกนั่งสองชั่วโมง วันที่สองนะคะเหลือหนึ่งชั่วโมงพอวันที่สามนะคะเหลือ10นาทีเอ๊ะทำไมมันลดลงเรื่อยๆนาเริ่มต้นเด็กสนาทีสิเริ่มต้นตน้อยๆ น, นะแล้วพอนาไปพอมีความสุขมันเพิ่มได้เองขยันอยากเพิ่มเพิ่มชั่วโมงบินขึ้นนั่งก็ไม่ได้นั่งเอานิ่งๆอะไรอย่างเดียวหรอกนะวันไหนจิตไม่สงบว่านั่งรู้ไป จนจิตใจมันสงบขึ้นมาวันไหนมันสงบแล้วก็นั่งแยกธาตุแยกขันไปนะก็ฝึกไปเวลาทำในรูปแบบทำได้หลายแบบทำมิปัสนาแท้ๆเลยก็ได้นะเห็นไตรลักษณ์เกิดดับหรือซ้อมจะทามิปัสนาหันแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันก็ได้ทำสมถะทำความสงบก็ไดนะ้แล้วแต่แต่ละวันไม่จาเป็นต้องเหมือนกัน วันไหนแรงดีอยู่แล้วสติว่องไวสมาธิแข็งแรงพอแล้วก็เดินปัญญาไปเลยวันไหนไม่มีเร็วมีแรงฟุ้งซ่านมากก็ทําความสงบพุโทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตเดี๋ยวมันก็สงบอย่าไปบังคับจิตไม่ใช่พุโทโธแล้วก็บังคับจิตหายใจแล้วก็บังคับจิตอย่างนั้นไม่สงบนะให้พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตหายใจแล้วก็รู้ทันจิตดูท้องพองยุบแล้วก็รู้ทันจิต ขยับมือทําจังหวะแล้วก็รู้ทันจิตอะไรก็ได้นะให้คอยรู้ทันจิตเอาไว้ถ้าเราพุทโธแล้วเรารู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันนะจิตจะสงบขึ้นเองเพราะมันหนีไปได้มันฟุ้งซ่านเรารู้ทันว่ามันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็ดับอัตโนมัติจิตทก็สงบไม่ฟุ้งซ่านได้สมาธิขึ้นมางนั้นหัดไปทุกวันทุกวันซ้ำวันไหนไม่มีแรงก็ดูจิตมันฟุ้งซ่านพุทโธไป หายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้หนีไปแล้วรู้สติก็เกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะใจก็สงบพอใจมันสงบพอสมควรแล้วมาดูแยกธาตุแยกขันนั่งไปก็เห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจนะมันปวดมันเมื่อยมันขันขึ้นมาก็รู้รู้แล้วเกาได้ไหมเกาได้ยังมีมืออยู่ยังเกาไดนะ้แต่ถ้าจิตรวมมันไม่ขันนะ จิตไม่รวมก็คันบางคนทํากรรมมาเยอะแต่กรรมเล็กๆเสร็จกรรมเล็กๆเช่นเจอมดไม่ได้ชอบปี้เจอมดอาจจะบี้บใครเคยบี้มดบ้างเนี่ยมีไหมที่เหลือไม่เคยเลยเหรอตรียุงอ่ะเคยตียุงไหมแมงวันใครเคยบ้างเกอหลายสปีชีและว <laughs> เนื้อใจเราถ้าเราเคยทําบาปอย่างนี้นะทำกรรมเล็กเล็กน้อยๆพวกไปทำร้ายพวกมแมลงพวกอะไรเงี้ยทำไปแบบไม่ได้จงใจมากนะไม่ใช่ว่าเกลียดสุดขีดถ้าเกลียดมดสุดขีดเลยเจอแล้วต้องบี้มันบี้บี้แบนแล้วบี้อีกบี้บอันนี้กำแรงนะกำแรงเพราะอะไรเจตนาแรงอาฆาตพยาบาทแรงนะกิเลสแรง ถ้าแบบไม่ทันตั้งใจยุงมากัดคันๆไม่ทันดูปาดปุ๊บยุงเลือดสาดเลยเลือดเราเองอะ mm. อย่างนี้กรรมมันไม่มากเั็ น, ะนตัดตากรรมกรรมเล็กน้อยนะถ้าไม่มีกรรมอื่นให้ผล้วตัวนี้ถึงจะให้ผลส่วนมากเรามีไม่ต้องกลั ว, ลวตัวอื่นให้ผลก่อน <c oughs> แต่เวลานั่งภาวนานะมันจะกวนถ้ามีกรรมเล็กๆน้อยๆเวลานั่งภาวนาจะคัน คันยิบยิบยับยั บ, ยบนะเหมือนตัวอะไรไต่ใครๆคเป็นบ้างนั่งแล้วคันคันสีนด่างพร้อยงั้นก่อนจะนั่งนะตั้งใจรักษาศีให้ดีกันว่าเราต่อไปนี้เราจะรักษาสีให้ดีนะแล้วเราจะนั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลเนีย่ยจะแผ่บุญ่วนกุศลให้สัตว์โลกทั้งหลายก็นั่งไปทำไมนั่งแล้วไม่ค่อยคันเพราะสบายใจ สบายใจใจมันเป็นกุศลนะอะกุศลยังให้ผลไม่ได้มันรอให้ทีหลังไม่ใช่ว่าหายไปนะ <c oughs> มืนรอให้ทีหลังเดี๋ยวตอนนี้ฉันจะนั่งสมาธิแล้วอย่ามากวนนะเนี๋ยขันยุบยิบยุบยบเนี่ยฝึกนะฝึกไปค่อยฝึกจนใจมันชินกับกุศลนะชินที่จะรู้สึกตัวชินที่ใจจะตั้งมั่นชินที่จะแยกขัน แยกขันก็คือเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูเห็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทางกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูมันไม่ใช่ร่างกายด้วยความสุขความทุกข์เห็นความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจจิตเป็นคนดูหรือเห็นกิเลสต่างๆทางใจจิตเป็นคนดูแยกออกไปร่างกายจิตก็เป็นคนดูความสุขความทุกข์จิตก็เป็นคนดู กุศลนกนะุศลจิตก็เป็นคนดูเนี่ยฝึกดูฝึกบ่อยๆให้เห็นขันมันแยกตัวกไปตัวนี้สำคัญมากนะถ้าชาวพุทธเราแยกขันไม่เป็นเนี่ยเสียดายที่เป็นชาวพุทธงั้ต้องพยายามหัดนะหัดแยกธาตุแยกขันนะทุกวันรักษาศีลทุกวันปฏิบัติในรูปแบบทำในรูปแบบวันไหนฟุ้งซ่านแล้วพุโทโธแล้วรู้ทันจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านไป หายใจแล้วรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตค่อยๆสงบเข้ามาถ้าวันไหนมีแรงแล้วก็พุโทโธไปหายใจไปค่อยๆแ ย, ย, ยกขันดูให้นั่งหายใจอยู่ก็เห็นในร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหรือพุโทโธอยู่ก็เห็นว่พุโทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าค่อยๆหันแยกเอาใจออกมาตอนนี้ใครแยกได้บ้างละมีไหม ยมันแยกเป็นคราวๆนะไม่แยกทั้งวันใครแยกขันได้บ้างแล้วยกมือหน่อยยกมือหน่อยมีไหมก็เยอะอยู่นะได้เยอะเแยกขันได้แล้วก็ดูขันมันทำงานใครเห็นขันทำงานได้เองบ้างแล้วมีไหมยกมือซิมีไหมเช่นร่างกายมันทำงานของมันเองจิตมันทำงานของมันได้เองถ้าเห็นอย่างนี้คันดีเดตที่จะเป็นพระอริยะนะโอกาสที่จะเป็นพระอริยะบุคคลมีขึ้นมาล้ กพแยกรูปนามได้แล้วก็เห็นรูปนามแสดงตรลักไดนะ้การที่เราเห็นรูปนามแสดงตรลักนั่นแหละคือตัววิปัสสนากรรมฐานแท้ๆถ้าเราทำวิปัสสนาแท้ๆได้นะใช้เวลาไม่มากใช้เวลาไม่มากก็จะเข้าใจธรรมะขึ้นมาถ้าทำวิปัสสนาไม่ได้ใช้เวลาไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะยาวนานนะอย่างทำสมาธิได้เนี่ยยาวนานมาก ยิงทำสมาธิเก่งๆนะจิตดับหายไปเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งๆอยู่ไม่มีจิตเหลืออยู่เลยพวกนี้อยู่เป็นหมื่นๆกลับได้ก็นั่งอยู่งั้นลนะไปเป็นพรหมไม่มีร่างกายหรือพวกประคองจิตให้นิ่งให้ว่างพวกนี้ก็อยู่กันเป็นหมื่นๆกลับได้อย่างเนวสัญญาอะไรเนี่ยอยู่โอ้หลายหมื่นกลับเลย งั้นทำสมาธินะยิ่งยืดเออยื้อยาวนัน้นงั้นทำสมาธิเราก็ทำนะพอให้ใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วรีบมาเดินปัญญามาแยกธาตุแยกขันธ์ดูจะทำแต่สมาธิอย่างเดียวจะเนิ่นนานมากเลยนานกว่าคนที่ทำไม่เป็นอีกแต่คนทำไม่เป็นอาจจะเวียนลงนระกตกเหวอะไรไปเรื่อยๆขึ้นมามาทำทานรักษาศีลใหม่หรือขึ้นมาชั่วใหม่ลงไปอีกวนะนไปวนมานะดีไม่ดีพวกนี้ไปก่อนนะ พวกไปอยู่ในพรมโลกเป็นหมื่นหมื่นกับยังไม่ไปไหนเลยพักพวกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่เคยรู้จักนิพผ่านไปหมดแล้วเหลือฉันอยู่คนเดียวลำบากเราฝึกนะฝึกของเราเรื่อยๆหัดให้ถึงขั้นเดินปัญญาให้ได้จะถึงขั้นเดินปัญญาได้ต้องดูเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งหัดไม่ยากหรอกนะค่อยๆสังเกตไป ที่มันยากเพราะเราไม่เคยได้ยินถามจริงๆอะ่ะคนไหนเคยได้ยินเรื่องการแยกขันก่อนที่จะมาเรียนกับหลวงพ่อมีบ้างไหมคงจะมีบ้างถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ที่รุ่นเก่าๆหน่อยนะมีไหมมีไหมยกให้ดูหน่อยจะได้แท้สองสารเสริญมีสองคนไปฟังมาจากไหนอะไรนะเออ ใช้ได้อ่านแล้วรู้จักรู้จักเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์ใช้ได้แล้วแยกได้ไหมเออต้องอย่างนั้นแล้วทำไมไม่เป็นพระอริยะ <c oughs> ต้องปฏิบัติทําให้สมควรแกร่ทำเนาะอื <c oughs> ให้สมควรแกร่ทำศีลดีไหมศีล ส, สะอาดหมดจดไหมตําหนิตัวเองได้ไหมว่าศีลบกพร่องเออนะรักษาศีลให้ดีนะ วันๆนหนึ่งได้คิดถึงพระพุทธเจ้าบ้างไหมไหวพระสวดมนต์ไหมเออใจสงบไหมหรือใจฟุ้งซ่านอย่างเดียวเอ อ, เ อ, อดีแล้วเห็นขันเปนแยกแยกนมามธทําได้ไหม เ, ออเห็นเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตอะไรเงี้ยกิเลสส่วนกิเล ส, ส, ส, สเห็นจิตที่เกิดดับทางอริยะณะไหม จิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับเห็นจิตเกิดที่ตาแล้วดับไหมหรือเห็นจิตวิ่งไปที่ตาแล้ววิ่งคืนมาเห็นจิตวิ่งไปที่หูแล้ววิ่งคืนมาเห็นแบบไหนเห็นที่เกิดท oh, er <bla> <ging> ี่ตาแล้วดับตรงที่ตาหรือเห็นจิตมีอยู่ดวงเดียวนี่ยวิ่งไปที่ตาแล้วก็กลับมาวิ่งไปที่หูแล้วก็กลับมาเห็นแบบไหนล่ะอ่าเดี๋ยวใส่ไมค์หน่อยครับก็ มีกรนีก็อย่างเช่นว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปคิดต่อจนเกิดเวทนาแล้วก็จะดับตรงในตอนนั้นนะครับต้องไม่คิดนํำด้วยนะดูสภาวะแท้ๆดูไปบ่อยๆดีนี่ฉลาดมากเลยเข้าท่าอยู่นะมีไม่มากนะคนที่ได้ยินเรื่องรูปนามเรื่องการแยกขันเรื่องอะไรเนะี้ย มันทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยนะไม่มีคนสืบทอดเท่าไหรคือถ้าเราไม่สามารถเดินปัญญายแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์จนเห็นขันธ์แต่ละขันธ์แสดงไตรลักษณ์เราไม่ได้ทํำวิปัสสนากรรมฐานถึงไปเข้าคอร์สบอกว่าทํำวิปัสสนาทํำวิปัสสนาไม่ได้ทําจริงนะถ้าขันธ์ไม่แยกออกไปแล้วไม่แสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาหรอกทําเท่าไหร่ก็ไม่เป็นวิปัสสนางั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย คือการที่เราสามารถเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามของขันห้าของกายของใจได้นะเห็นกายเห็นใจยังไม่ใช่วิปัสนาเห็นระูปนามไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นมันแสดงไตรลักษณนะ์เห็นจิตไหมจิตเกิดดับไดนะ้จิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับคนไหนเห็นจิตมีดวงเดียวแต่วิ่งไปวิ่งมายกมือสิมีไหมนี่ ก็เก่งนะเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาคนไหเห็นจิตเกิดที่ตาระดับที่ตามีไหมว่ามีเยอะกว่าอีกหรืออัศจรรย์การที่เราเห็นจิตยังมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาสันตติยังไม่ขาดสันตติยังไม่ขาดในการที่เราเห็นว่าจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูนะเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นมีแต่เกิดแล้วก็ดับ จิตที่เกิดที่ตากับจิตที่เกิดที่ใจคนละดวงกันนะถ้าอย่างนี้เรียกว่าสันตติมันขาดจริงๆนะค่อยๆฝึกนะวันนึ่งมันก็ขาดจนได้แหละค่อยฝึกค่อยรู้ค่อยดูไปไม่ยากหรอกสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะไม่ยากงแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันนะนี่เราหัดฟังไปเรื่อยหลวงพ่อก็พยายามสอนแต่เรื่องนี้นะเพราะมันหาฟังยาก สอนเรื่องสมาธิเรื่องอะไรเขาก็สอนกันทั้งบ้านทั้งเมืองสอนนั่งสมาธิสอนทำรูปแบบใช้รูปแบบอย่างนั้นรูปแบบอย่างนี้ก็สอนกันเยอะแยะไปแต่สอนจกนกระทั่งให้เห็นสภาวะแท้ๆเกิดดับไปไม่ค่อยมีจริงๆหรอกนั้นพยายามเรียนอดทนไว้ไม่ยากหรอกไม่ยากเบื้องต้นนะหัดรู้สึกตัวขึ้นมารักษาศีน่าไว้ก่อนรู้สึกตัวทุกวันซ้อมในรูปแบบ เห็นไปนั entity, ่งสมาธินั่งแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนั่งไปนานๆเห็นร่างกายมันปวดมันเมื่อยดูลงไปอีกความปวดความเมื่อยกับร่างกายก็เป็นคนละอย่างกันความปวดความเมื่อยกับร่างกายไม่แช่นเดียวกันร่างกายอยู่ต่างหากความปวดความเมื่อยก็อยู่ต่างหากเป็นคนละขันกันจิตก็เป็นคนดูอีกมันปวดมากๆเข้าความกระสับกระส่ายเกิดขึ้นที่จิตเนี่เห็นอีก ความกระสับกระสายก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตอีกนี่หัดแยกไปเรื่อยเลยทีแรกเห็นร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูนี่เราแยกได้แล้วระหว่างรูปกับจิตแยกออกจากกันนั่งไปนานๆานปวดเมื่อยขึ้นมาเราเห็นความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตนี่เราแยกได้อีกขันหนึ่งเรื่องเวทนาขันปวดมากๆเข้ามันกระสับกระสายมันปวดอยู่ที่ขา ความกระสับกระส่ายมาอยู่ที่ใจนั้นความกระสับกระส่ายก็ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ความปวดเมื่อยไม่ใช่ร่างกายนึกว่าเป็นจิตก็ไม่ใช่จิตอีเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้านี่ค่อยหัดนะตัวความทุรนทุรายความปรุงแต่งของจิตนี่เรียกว่าสังขารขันตัวร่างกายเป็นรู ป, ปรขันความปวดความเมื่อยเป็นตัวเวทนาขันตัวความทุรนทุราย ปรุงแต่งของจิตนเรียกว่าสังขารขันตัวจิตเรียกว่าวิญญาณขันต์ค่อยๆหัดแยกซ้อมทีแร ก, กเห็นกากับใจแยกกันก็ได้ก็ดีแล้วละ่ะอย่างน้อยต้องแยกเป็นสองอย่างนคนไห น, นที่ฝึกมาถึงจุดที่ว่าไม่ว่าจะทําอะไรเหมือนมีคนหนึ่งดูอยู่ใครทําตรงนี้ได้บ้างเฉลียวซ้ายและขวานี่นะเหมือนมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่ยกมือซิมีไหมมีไหมโอ้มีเนั่นกันเนาะ ความจริงมีเยอะแต่ว่าเหนียมทำได้เยอะแยะไปที่ที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่ได้ตลอดเวลาได้เป็นคราวๆบางคราวก็ต้องหลงใครทำได้เป็นคราวๆเส้นไหวแล้วก็เห็นมีคนหนึ่งมันเห็นอยู่มีคนหนึ่งมันดูอยู่ใครเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันบ้างใครเห็นว่ากายกับเวทนากับจิตเป็นคนละอนกันบ้างโอ้ยนะ ใครเห็นว่ากายเวทนาสังขารกับจิตเป็นโคราณมีไหมใครเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะได้บ้างเยอะเลยใช้ได้เลยใช้ได้ไดนะครอยฝึกนะค่อยฝึกไปเรื่อยๆสะสมไปต่อไปจิตชำนาญ น, นะมันเห็นของมันเองไม่ได้จงใจจะเห็นนะถึงขั้นอัตโนมัติ อะไรเกิดขึ้นในกายสติระลึกรู้อัตโนมัติอะไรเกิดขึ้นในจิตสติระลึกรู้อัตโนมัติขณะระลึกรู้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่สมาธิอัตโนมัติเกิดก็เห็นความจริงเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับนี่ปัญญาอัตโนมัติเกิดไม่ต้องคิดเลยเห็นเลยทุกอย่างมันเกิดดับไม่มีตัวมีตนนะนี่ฝึกมากเข้ามากเข้านะจิตมันจะวางการรู้อารมณ์ที่ตัวขันวางการรู้อารมณ์ที่ร่างกายนะมันจะทวนกระแสเข้าหาจิต เนี่ยเวลาเวลามันจะตัดกิเลสล้างกิเลสจริงๆมันจะทวนเข้าหาตัวจิตนะตอนที่มันมันวางอย่างเรารู้กายเราเห็นกายไม่ใช่ตัวเราอะไรเรนะื่อยจิตเป็นคนดูอยู่ด้วยพอมันพอแล้วตอนที่อริยมรรคจะเกิดมันจะทวนกระแสะเข้าหาจิตทนะวนเข้ามาเขเข้ามาถึงจิตนะสติระลึกรู้จิตโดยไม่เจตนาระลึกนะ สมาธิตั้งมั่นอยู่กับจิตโดยไม่เจตนาตั้งมั่นปัญญาเห็นความจริงของจิตโดยไม่เจตนาจะเห็นไม่มีความจงใจสักนิดเลยสติสมาธิปัญญารวมลงที่จิตอันเดียวเลยรวมลงจุดเดียวกันเลยน่จะล้างกิเลสก็ล้างกันตรงนั้นมันต้องอัตโนมัติถ้ายังต้องคอยบังคับให้สติเกิดบังคับให้จิตตั้งมั่นคอยกระตุ้นให้จิตเดินปัญญา น, นี่สแสดงว่ายังทําไม่พอนะอริยมรรอยังไม่มี เราฝึกกันทุกวันทุกวันนะจนมาอัตโนมันติสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติแต่ไม่ใช่ว่าต้องอัตโนมัติยีสิบชั่วโมงเราไม่ใช่พระอราหันต์ไม่ต้องตกใจนะมันแค่รู้ทันเลได้เป็นคราวๆนแค่นี้พอละนะถึงเวลาที่มันแก่กล้าพอยินทรียีแก่กล้าพอนะมันจะรวมเข้ามาที่จิตมาตัดโดยไม่ได้จงใจเพราะฉะนั้นไม่มีใครสั่งให้อริยมรรคเกิดขึ้นได้ ไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรกผลได้จิตเป็นเองแต่อยู่ๆจิตไม่เป็นหรอกนะเราต้องฝึกต้องซ้อมให้สติสมาธิปัญญานั้นอัตโนมัติขึ้นมาก่อนมันถึงจะเป็นเองนะงั้นตอนนี้ที่พวกเรายกมือมาให้ดูนะก็เยอะแยะแล้วนะแยกธาดแยกขันได้ไรได้เห็นธาตุขันแสดงใจรักได้ใช้ได้แล้วละ่ะดีแล้วละ่นะทาไปอย่าท้อถอยนะบางคนก็นานหน่อยบางคนก็เร็ว เอาแน่ไม่ได้บางคนมีบุญมากไม่บรรลุเลยตั้งใจไว้จะไปเป็นพระพุทธเจ้านี่ทำไงก็ไม่บรรลุพวกนี้ดีมากไปอีกพวกหนึ่งเร็วมากไปไม่บรรลุเหมือนกั น, นอาเชิญไปทานข้าวนิมอนต์เลยครับ